จึงเป็นข้อปฏิบัติส่งเสริมเพิ่มสตาให้เกิดขึ้นในดวงใจของเราธรรมะ ก, ก็มีมากแต่ตเราไร้ระดับดับฟังการฟังนั้นก็เป็นองค์ของปัญญาอันหนึง่งก็เรียกการศึกษา ร่างกายของเราของท่านทุกท่านมีอังคาประยส <c oughs> ชวนประกอบของใจเป็นเบาของใจ ถ, งถึงใช้ภาษาของธรรมะว่าสังวรธรรม แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมภริยาวชิญาณ น, นวโรรสที่องค์ทรงรจนาแต่งกมพีข้อปฏิบัติขั้นต้นเป็นพื้นฐานของการศึกษาเพื่อตกแต่งรากแก้ว ของตนไม้คือการปฏิบัติของเราทุกท่านก็ผ่านการทุษาแต่ก็นำมาผู้นี้เขาเพื่อย้ำทำความเข้าใจบางท่านดันเสริมเข้าสั่งเวลาจำสมเด็จมาถุม เ, มเต้าตรัสว่าจำวม ตาหูจมูกลินกายใจท่านว่าสำมรวมทวารหกคือประตูเข้าของความดีบางของความชั่วบาง ในนั้นว่าสามว่ามันเอาธรรมะสะติธรรมดวงตาหมาวาสติธรรมธรรมคือสติคนเราที่อยู่ในสังคมเข้ากับสังคมโดยปกติในลักษณะนั้นบุคคลบุนั้นมีธรรมะคือสติ สติธรรมดาถ้าสติขั้นสูงขึ้นไปมองเห็นแนวการประพัติธรรมการประพฤติธรรมคือทำความดีให้เข้าสู่ใจคือามีธรรมะรับความดีเข้าสู่ใจ ทันตรัสเดีย ว, ว่าสติธรรมรมเป็นเครื่องสำรวมถ้าสำรวมแล้วระวังแล้วกั้นแล้วเหมือนประตูปิดแล้วมันใครเข้าไม่ได้เหมือนประตูสถานเราที่อยู่ใส่สลักแล้วนอกจากคนมาหัดแแห่นั่นผิดระเบียบผิดกฎหมาย เป็นบาปของเขาเป็นบุคคล ท, ที่ไม่ดีมาทำลายแต่เราปิดแล้วเป็นหน้าที่ของเราเราปิดแล้วคนก็เข้าทางประตูของเราไม่ได้เหมือนตาเราปิดตาแต่เราไม่ได้ปิดหลับตาท่านใช้คำวันภาษาว่าเห็นสักว่าเห็น นี่ภาษาธรรมะสติธรรมธรรมคือสติเห็นจักว่าเห็นเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งอันนั้นถ้าสิ่งอันนั้นเหมือนว่าแขกมาเราก็ไขประตูเข้ามาอย่างคนมาบเร็งฐานเออย่างนี้แล้วก็ไขประตูให้เขาเข้ามา เพราะสถานที่นี้เป็นสถ า, านที่บันเป็นความดีแต่เขาไม่เกี่ยวข้องอจะเข้ามาไม่ได้เอาประโยชน์อะไรหรือไม่ให้ประโยชน์อะไรหมายความมาเชื่อใจไม่ได้จึงเรปิดไม่รับไม่รับเขห แต่แขกดีเราก็กเป็นกันัญนามิตรพระพุทธเจ้าจะเป็นกันัญนามิตรเป็นมิตรที่ดีธรรมะคือสติธรรมธรรมคือสติคุมทั้งทวารทั้งหกคุมทั้งหูฟัง เราจะไปอุดหูก็ไม่ได้แต่เรามีสติเสียงผ่านทางหูเราถืออาประโยชน์เพื่อนำเข้าสู่นายคือใจอย่างใครมีธุระอะไรกลิ้งมาเราก็เขียนจดไว้บอกนายเราเหตุการณ์เราะความดี ที่เรานำเข้าสู่ใจด้วยการเสียงเสียงธรรมคำว่าเสียงธรรมนั้นเสียงที่เช่นว่าการกล่าวดีพูด พูดดีเพื่อไค้ขาวหูก็มีธุระพูดดีขึ้นมาภาษาคำพูดปิยะวาจากูพูดในเกิดเป็นที่รักมาทุวาจาวาจาอ่อนหวานไม่บาดหูไม่กูไม่ครอบ เหมือนนางปัญญาของนายปุณณนะคือทดลองว่าความดีมันมีอัจจริย์ไหมคือ น, นางนำอาหารมาให้สามีสายเกินไปเพราะอาหารแพงเกิ เจอพระธรรมเสนาบุรีนางก็ป ร, รบว่าบางวันเรามีอามีไตยธรรมแต่ไม่มีผู้รับวันนี้ไทยธรรมก็มีผู้รับก็มีจึงถวายไตยธรรม อาหารถวายหมดขอให้พระพุทธเจ้าสงเคราะห์ย่าในคิดว่าอาหารปอนหรือไม่ปอนดีหรือไม่ดีพระพุทธเจ้าก็รับบิณฑบาตทำวนวินัยบิณฑบาตฉันนางถวายแล้วก็กลับไปเอากระสารมาห ง, งใหม่ ระยะจาหางละเท่าไรก็ไม่ไกลไม่ใกล้นะก็สายหน่อยพอมาก็นึกในใจเห็นเห็นสามีพักอยู่ใต้ต้นไม้นางก็คิดเออคงจะหิวจึงขออก็สามีทำใจให้ดีอยากงงากูเงาวกอะไรอ่านด้วยสาศัยบุญเนี่ยแหละ มาถึงพูดนางก็พูดดีๆเออดิฉันชาไปเพราะอาหารครั้งแรกถวายพระบุทนเจ้า ข, ขาคุณทำใจให้สบายให้ใจใเป็นกุศลเขาิตเป็นกุศลขึ้นมาไม่หิวแล้วธรรมะที่เข้าสู่ใจแล้วความหิวไม่กระเทือนถึงใจ ทันยังไถความปีติคือความเบาทุกขเวทนาหายแล้วก็นายปุณณะเ อ, อเราก็ได้ถวายน้ำมูญปากยาแปลยาทุกวันเแปลงทุกวันเพราะนายปุณณะท า, านานแล้วหิวเหนื่อยก็หลับ ตื่นขึ้นมานพระธรรมเสนามบดีท่านเรียวกว่าเข้านิโรธธรรมาบัตรคือพระอริยบุคคลเป็นภักคือนิยบุคคลสมควรแก่รับทักษีนาทานเป็นสถานที่เหมือนเนื้อนาดีของ ของเชาวนาพอตื่นตาจากฟังเลยไม่ครับฝาดไปหรือไงเห็นกี่ไทยเนี่เป็นทองคำนี่นนว่าถึงการบำเพ็ญบุญประกอบกับผู้ที่รับทักทีนาลูประทาน เป็นทักษินายะบุคคลในธรรมหลักธรรมตันวิเจยยะดานางดาตับบังเลือกให้วิเจยยะดานังตาตับบังสุกตับปะสะัสสตังปทาโคตรทรงสรรเสริญหีืว่าถึงการบำเพ็ญความดีทั้งสองอย่าง ผู้ให้ผู้รับนี่เรียกว่าหลักธรรมะที่เกิดขึ้นจากสำรวมระวังนี่เรียกว่าสังวรธรรมที่เราบำเป็นธรรมะนี่สังวรธรรมเกิดตามเป็น ทีระบบัเป็นธรรมะคือทมสมาธินี่ให้จิตของเรามีสติไวฟื้นทันสติไวขึ้นสติไฝบูญกับมองเห็นชัดขึ้นมาสติมากขึ้นมาเหมือนคนที่มีทรัพย์มากมากมองเห็นเป็นกรรมเป็นกองส่วนใหญ่ การมงเป็นความดีที่เราสั่งสมความดีในจิตของเราแต่เราสังส่งสมสูตาคือการฟังเขาได้สังส่งสมสูตาฟังบ่อยๆริ่งที่ฟังแล้วก็เ ข, ข้าใจหลังจากทต่พูดมาสำงรวมตา เอาสติไปคุบคุมตาไว้ต า, ตาเหน็นอะไรตาหนแล้วก็นำอะไรที่มันมีคุณภาพเข้าสู่ใจใจเป็นนายคือความดีธรรมะคือความดี ควดีคืออะไรกินทานบ้างศีลบ้างกินก็ประการให้เออไ ป, ไปรักษาศีลให้บําเพ็ญทาน อ, อ, อย่างนี้เป็นทุนหรือก็ปรการชักชวเนเออไปฟังธรรมในชาตานที่นั้นวัดนั้นมีกิ จ, จกรรมขึ้นมาเขาประการให้ไปฟังธรรมอู้เราได้ยิน เรามีสธาเร่อมใส จ, จะไปฟังธรรมเขาบอกคนอื่นดีบอกเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องพอชักชวนกันได้พูดกันเข้าใจภาษาหลักธรรมะพูดกันเข้าใจว่าดันยูวีทำไมเข้าใจคำว่าจบเล่ายังยบยบมีสตธาพอเห็น ในการบางเป็นนี่เกิดไปเที่ยวเราก็ไม่เห็นเขาเห็นเขาเอาน้าอะไรมาให้ในที่นั้นไม่มีน้าไม่มีบ่ไม่เลยเขาก็ให้เขาเห็นเราก็ไม่เห็นคนจีนด้วยนี่เขาได้ว่าดันอยู่คือเข้าใจอะเข้าใจว่าได้เห็นพระพระต้องการอะไรที่ต้องที่มีประโยชน์ก็กให้อันนั้น นี่เดียวว่าเขาเคยเห็นขึ้นมาเคยนั่งเครื่องบินจากเออมาพักที่โอสากา้ามีคนเอาไ อ, อ, อ, อ, อ, อ้ทกขีฟที่มันอมได้เย็นๆเนี่ยพลังมานั่งกินถั่วอยู่มันเอาถั่วมาถูงไข่มนลาวานอวมันไม่เอามาอยู่นี่ นี่ก็เห็นคือสิ่งที่เห็นนะโอ้ันก็มีปัญญาคือความฉลาด น, นั่นนีรว่าสิ่งที่ผ่านทางสายตาที่มีประโยชน์คืออุปมาเนีก น, น้อยๆในเรื่องของบุญบางคนมันพูดไม่ได้บอกให้พระที่พรมน้ำมนต์เขาก็อธิาบายว่าพรมน้ำมนต์น่ะสบายใจ เราก็เพิ่ได้ยินเราปลมน้ำมนต์ตามประเพณีไปเจริญพระพุทธมนต์ให้พรแต่แล้วก็ประพรมน้ำมนต์นี่เป็นาศาสนาคิดของผู้บำกินคิดในทางศาสนานกล่าวให้พรตามสมควรจำโมติยาคาถา เพื่อให้ญาติโยมจะสดับรับฟังฟังบ่อยๆเราเข้าใจเองน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่ไหนๆก็กบำเพ็ญทานกันอยู่บำเพ็ญศีลฟังธรรมแต่มีโอกาสก็ฟังธรรมเพื่อให้ทาใจของ ของผู้ฟังทำเสียงผ่านโสตประสาทเข้าสู่ใจใจไม่เราเย็นเมื่อน้ำมาลดหัวใจแต่เสียงที่ไม่ดีมันทำใจให้ร้อน เพราะภายในใจของเราก็ทุกคนอย่างมีแต่เราก็ต้องหลักละครับคือไฟภายในที่เราบำเพ็ญความดีเพื่อนรับดับความร้อนภายในใจของเราทําความดีเราสั่งสมความดีพราะความดีผ่านมากระรู้อีกเก็บไว้อีกเราเก็บความดีไว้ไม่หลอกฝากเงินไว้ธนาคาร เราฝากท ำ, ทำกเสมอฝากทุกวันทุกวันก็มากข้าเมื่อเราบำเพ็ญความดีสวดมนต์ภาวนาเราก็กับเล็กผ่าสมน้อยมัน ก, ก็มากเข้าเขออภัยแม่แต่การสวดผู้มาใหม่ๆหสำเนียงเสียงภาษาบางทีก็เป็นธรรมดาแต่นี้เน้นเห็นว่าเราทำบ่อยเสียงเราก็ดีขึ้น กลมกลมขึ้นมาเสียงก็เสียงกลมกลมเสียงมันเข้ากันทุกคนมีเสียงไม่เหมือนกันแต่ว่าพอสวดบ่อยๆเสียงมันสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่บางที่เขาต้องฝึกเสียงนี่ว่าจริงที่ที่เราฝึกได้ค็นี้ความดีที่เข้าสู่ใจกเหมือนกัน ค่าบ่อยๆก็มันมากจิตมันอิ่มด้วยด้วยบุญน่ะเต็มไปด้วยบุญน่ะกานี้บุญที่เต็มในในใจออกันไหลออกไปออกเป็นไหลเข้าไปพูดออกไปเข้าหูคนอื่นคนรู้ก็คน้ก็เย็นขึ้นใหม่ห้ไปอีกไม่หมดแกกันไปเรื่อยบุญไม่หมด ก, การบำเพ็ญบุญมันก็มันหอกงามกันไปองประมยเราเข้าใจเหมือนวัตถุไปนอกมาเล็ดบางทีเขาจะวนพันไปอยู่ที่เขาว่าไอ้พริกเขาเอาใจรองเท้าไปแม่นั้นรวดแม่ผ่านกันไปตอนนี้เขาเล่าให้ฟัง แล้วก็ได้ผลนี่ตามหลังติดคนไทยเราไปอยู่ในที่ไหนไปอยู่ที่ฟลอ ร, ริดาเขาเอา เ, อา เ, อาเอาม็ดพริกอะมาใส่ไปในรองเท้าไ ม, มันแม้่มันตรวจเอาไปปลูกไปเห็นกับตาเองนี่ก็ได้ผลขึ้นมาเศรษฐกิจของความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นมาเราฟังธรรมก็เหมือนกัน นี่ก็พยายามสนใจบางคณะคิดคิดว่าจะพูดอะไรบ้างจึงเอาเท็บของลงตาหมาบัวฟังเพราะเราสายตาก็ไม่ดีบางทีคนอยู่ใกล้ๆไม่รู้ว่าใครมองหน้าไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นนั่นคนนี้เป็นนี้คนรู้จักกันดีเนี่ยบางทีไม่รู้โอ้นี่พิจารณาว่า จากคูวิญญาณังานิจจังที่เราสวดธาตุเพื่อให้ธรรตาของเราเนี่ยเห็นอะไรเป็นธรรมขึ้นมาเช่นสวดธาตุ hmm. จากกุง้งพุทธกุณังอรังพุทโธอิทธบอกว่าเนี่ยจากกุง้ง ตาให้มีพุทธคุณคุณของก็ของพระพุทธเจ้าท่าที่ท่านแต่งรัชนาไว้มันไปเพราะเพราะในเบื้องต้นอาดิก ร, รยานังทำกรรมสั่งสอนในทางศาสนาเพราะในเบื้องต้นงามในเบื้องต้นขอมาไกลเหมือนคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันสวยงามในเบื้องต้นรูปประมมันสวยเลย เนี่ย่วยนในเมืองต้นเพราะต้นทุนมันมีหลวงปู่บุญญาฤิ์ว่าต้นทุนคือบุญที่เราทำไว้นี่ทำไว้มากเท่าไหร่ทิงเราส่วนมนุษ์ว่าทางอายุวัตนังทีวิทังยาวนิบานังตะระนังกัญชามิ ก็พเจ้าถึงถึงพระพุทธเจ้าจนตลอดอายุอายุวัฒนังจานุจเจริญไปได้ถึงเานนจนถึงนี้ผ่านแต่เราไม่ ค, คิดพิจารณาธรรมะเราก็บางทีไม่เข้าใจหรือบางท่านเข้าใจขออภัยหมายความว่ามุนที่เราเปลงว่าจาถึงพระพุทธเจ้า เป็นคุณธรรมมันทากันทำให้ใจขอ ง, ของเราฉลาดนำดวงใจของเราไปโน่นเกิดทุกภพทุกชาติเราถึงนิพพานั ง, ถ, งถึงนิพพานกานนี้จีวิตของเราที่อยู่ในโลกเนี่ยต้องถ้าทำความดีเท่าผู้ในสั้นกันเราทำจิตของเรา ให้มีคุณธรรมเขาด้ยภาวนาธรรมหรือสมถะธรรมธรรมคือสมถะที่เราฝึกอยู่เวลานี้ทำจิตของเราให้มีสติ รู้รวมหายใจลมลมหายใจค็ออนาปาณสติกรรมฐ า, านสติรู้รวมหายใจลมหายใจเป็นเป็นธาตุสำคัญของร่างกายทำให้ร่างกายกระปิกระเปรา ทึงหายใจคล่องสะดวกสบายหมายถึงเราสว้ยบุญอยู่แล้วอนาปานสติแล้วการบริกรรมคือพุทธบริกรรมคือการนึกสำวนภาษานึกถ้าภาษาสับแสงสวิตตั ก, กังตรึก ในองค์ของสมาธิมีวิจเเยวะกาเมหิอากุสเลหิสวิตกงังวิวิจเเยวะเพิกอากุศลนอากุศลคือความไมา่ฉลาดแห่งจิตบางทีถ้าเราจิตตับ เรากังวลใจเฮ้ยนั่งนานไปมันเมื่อยมันคบนี่ จ, นลลจิตเป็นอกุศลเลยแต่จิตเป็นกุศลว่าการทำจิตให้สงบแล้วครับมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นจิตที่สั่งสมปัญญาปัญญาธรรมตัวปัญญาคือความเจราญอะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็ตัดไปทิ้งไปเลยท่านพ่อรีว่า ทิ้งไปนี่ตัวปัญญาทมสั่งสมไปเสั่งสมไปหลายภพหลายชาตินนน่ะจนเป็นข้าวํำดับอายมบุคคลพรีนโสดาปฏิมักโสดาปัฏิผลแต่เราตั้งใจเยิงๆก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้ว ธรรมะนี่ไม่เป็นของมันนะมันทนต่อความเพ่งแล้วของเป็นผู้ปฏิบัติได้เป็นแนวทางในํานำชีวิตของเราไปสู่ความพ้นทุกข์จึงเป็นยอดเดงความปรารถนาทุกข์ของร่างกายเราดั้งแต่ต่ายก็มีความทุกข์อยเนี่ยเพราะใฉันอิ่มก็ทุกข์ ถรไม่ขับถ่ายจากคุณุบาลีคุณุปมาจาร์นอธิบายอุกัณันตังไรข้าวปักรกัดันตังร้อยโอกร่างกายนี้จะส่งอยู่ได้แต่ในพวกไม่มีบุญแล้วค่บปัญญาไปสังฐานแต่งความดีนี้ตกแต่งไม่กวนทุก กูบ า, าดเจ็บไปแม่เรานอนหลับมันสะดุ้งขึ้นมาความทุกข์ต้องคิดแก้กไขเลยต้องไปหาหมอนี่เมีอยู่ที่หัดใหญ่ต้องไปพาคนป่วยไปหาหมอเลยทุกข์เพราะทนไม่ได้ สภาพที่ทนไม่ได้ความเป็นจริงต้องแก้ไขต้องไปาหาหมอถ้าผู้ใดใครผู้หนึ่งมีความรู้ความสามารถก็สามารถช่วยแก้ไขได้ตามความรู้ตามความสละที่ได้ศึกษามาหรผ่านการศึกษาการเห็นการฟังทีหนึ่งจ้คุณพ่อบรโสกา ร, รำํำประเทศมูรีเขาด ท่านยาคุณพ่อปีสูงหน้าอยู่รวมกันท่านอ้วนเป็นลมบ่อยๆใครทำอะไรกันฉันยาโนนยาเล้วยายาลมเนี่ยฉันก็แก้ไม่ได้นี่รู้จักคนให้เขาแก้บีบหายประจวบคนนี้ไม่ใช่อยู่ที่นั้นมาจากอื่น มาประจบกันเขาเผู้มีบุญในอย่างที่ว่าใกล้อายนี้แนะนำแล้วทำที่เมืองเลยอีกแต่จุกุลเพชรที่อยู่เท็กซัสอเมริกานกสิ์เป็นป ร, ริญญาเก้าประโยคเขาไม่พูดเลยแกเป็นลม น, น้ำนาย ฟูฟูพอมฟูเลยนะตกใจเรียกท่านท่านท่านมาช่วยแก้หน่อยแต่จนคุณชักนี่นึกึ้นได้ว่าผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นหมอโนดหมอบิดนี่ไปเรียกท่านเลยคุณโยมโยมเดียวช่วยหน่อยหน่อยพอมาบีบเดี๋ยวเดือมตา หายใจสบายนี่ก็เคยช่วยสังเกตมาหลายบีบให้รู้สึกให้รู้ติดสึกเจ็บปวดหายพรงวิชาการต่างๆที่เขาศึกษาวิชาทางแพทย์สมัยนี้ เกณฑไปเจ้าลูกเธอเจ้าพระชุราพอรอะไรละอักราชคุ ม, มาวีทรงส่ ง, งเสริมยาสมุนไพรแต่คนคิดยาอย่างตนี้สักอย่างให้ได้ผลน่รวยรํารวยแจกให้ขอรับเพราะงั้ น, นรัฐบาลคือรับรองมีพระ ที่ท่านสนใจในเรื่องหมอคนแค่ก็มาเป็นท้อยเป็นกัญยาณามิตรกันเขาก็ต้องเอาเรื่องศาสนาเาไม่พูดพูดกันญาณ า, ามิตรกันายาณามิตรที่ดีที่สุดอุปการโระโยมิโทมิตรอุปการะ อันคือการอยู่รวมกันภาษาธรรมะนุกขะลุกโกลเจโยสาขาเพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ในภาษาธรรมะอย่างไงภาษาตื้นตื้ น, นคือช่วยกันอัตตากะเยจจโยมิโตอะไรที่เขาแม่กใจเขาก็บอกคนเราจะไปรู้สัหมดไม่ได้ พระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงปรารถนารู้ทุกอย่างอิตโตซาบัญญุตยานังทรงปรารถนารู้ทุกอย่างเอเจนโตวสวัสดิทรงปรารถนาความไม่ดีมันหมดไปสิ้นไปเมื่อเราบำเพ็ญภาวนาในดวงใจของเราเนี่ยสนิมใจคือคีดมันเป็นไย คุูาาจารย์ยมันเป็นไปมันก่อวินาศกรรมคนมีคิเลสพความโกรธเกิดขึ้นทำลายได้ไมไม่ได้เป็นเล ย, เลยวัตถุทำลายนี่ก็เผากันได้เนี่ยตัวกิเลสเห็นกันทำสมาธิจิตปัญญามันเกิดขึ้น มันเห็นความไม่ดีไม่ไม่ไม่ประโยชนาา์อะไรไม่มีคุณภาพสักนิดไม่มีคุณภาพจึงเทิ้งไปเมื่อก็ดับเป็นมันเข้ามาในดวงใจของผู้ที่มีความดีอยู่ตามความดีมากมันไม่ได้เราเขาเรียกวําเป็นจานวิต๊กปลึกอยู่เราอยู่ด้วยอิริยบถอันใดอันหนึ่งก็ได้ อยู่ในลักษณาที่ว่าสังวรธรรมสำรวมแนวสำรวมใจหลึกจิตเมียลมเป็นหนึ่งอยู่ลมไม้ใจเ อ, เอ ก, กตาจิตเมียลมเป็นหนึ่ง จิตมีสติใช้วิจารณพิจารณาดูจิตท่านว่าอุบัมามันลูกโคมันพยายามวิ่งไปห า, ยามแม่เพราะหิวนมพอไปดึงแม่แนละ้วดูนมนอนหลับหอดูลักษณะท่านว่าอย่างนั้น หรือเด็กที่มันอิ่มอยู่ไม่กัดไม่ร้อนไม่อยู่ไม่กมระวนกระวายนอนหลับสบายเนี่ยดูจิตของเราก็เหมือนกันจิตที่มันแนบสนิทกับลมหายใจจะเข้าใจในตัวเองว่าธาตุในกายเนี่ยที่ยังเป็นอยู่ได้เนี่ยยังมีความสมัคคีสมัคคีธรรม กายนี่เป็นสมัมกิริธรรมเช่นธาตุดินน้ำก็ซึมได้ซึมเมื่อแต่น้ำซึมท้านลมก็ทํทำให้ไหวได้อ่ อ, อนเฉวยควรเกะการงานควรเกะการคู่ควรเกะการเหยียบ ควรในการนั่งควรในการลุกขึ้นนี่ก็ควรไม่หนักตัดไกวก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นถ้าเย็นเช็บไม่ได้เลยต้องมีความอด่นนี่ว่างถึงถนทนธาตุจึงเขาเพ่งธาตุ เตโชเตโชเตโชเนี่ยทำให้กายมันอบอุ่นอากาศสาาัาผมันช่องว่างช่องละเอียดผมมันฟรี飒ลมมาขนทั่วร่างกายเจิตส่องพิยนามันลมมันเดินทั่วใครนับขุมขนได้ ล้มออกทั่วกายเบาเีเรียวกว่ า, ารรธาตุสมากีกพูดง่ายง่ายร่างกายยังมีปุญญาไปสังขารแต่งวิญญาณธาตุตาดีเราตาไม่ดีหูดีเยังหูของพระพุทธเจ้าประโสนิของพระพุทธเจ้า จักขูทิเห็นกันรกระยัฟังเชียงทิศเพราะงั้นไะองค์ทรงสองทิพย์นเนศตมีดามีเหตุการณ์ประชารประโสดของพระองค์จึ ง, งส่องทิพย์เปรตองตาหูฟัง มีเหตุการณ์เลยส่งไปแก้ไข mm hmm. เพราะมีเทวดาที่เราส ว, mm hmm. วดมนต์เทวดาพระษัมต mm ิ hmm. เทวดาอารักา mm hmm. เทวดานี่มีหน้าที่คอยดูแลยอยู่ที่ไหน mm hmm. บั้นเลื่อนปูภูมิเจ้าที่หรืออยู่คนไม้อากาศ ที่เราส่วนบนท่านเรียบเรียงไว้เนวตาระกันธิเทวนาอากาศจองที่ประเนตลงมาบางพระพุทธเจ้าจึงทรงบำเพ็ญพุทธกิจกิจของพระพุทธเจ้าเหมือนนันพระองค์ตัดสนให้เราบำเพ็ญอย่างนี้ มันเป็นภาวนาจเจริญกรรมาฐานอบรมจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกตาจิตจนเกิดปีติเบากายเบาจิตจิะตุมมชาญกมีอ ง, องหง้าวิตกพิจารปีติสุขเอกกตาเดินชำนานต้องเราทำจนชำนาน อะไรที่เราทำอะไรเกิดความชําน้าญวสีภาษาธรรมะเรียกว่าสีพระองค์ที่สองละวิตกวิจารมีปิติสุเอขกาตาองค์ที่สามครับปิติสุเอขกาตาองค์ที่สีล่ละละทุกละสุข มีเอก ล, กลาเฉยๆท่านอธิบายว่าพระอริยเจ้าท่านเข้าฌานเซอเว้ใมุติสุขสัญญาเวทนั่งดับสัญญาคืออารมณ์เดิมไม่มีเราต้องพิจรารณาถ้าอารมณ์มาต่างหลายสิบปีกับมาได้ต้องมีเราขาดรตรีมันจิตมันไป เราตัวตราพิจารณาแต่พระอริยเจ้าท่านพิจารณานี้ยมันไม่ได้เรื่องอะไรท่านทรงพิจารณาเหตุ อ, อดีตอนาคตถึงว่าปุบันเดปินดาปาตันจะถึงว่ามีกิจยังให้มีใส่บาตรเป็นกิจของสาวกสาวกากิจพุทธกิจ เป็นการอภประกทุกทุกพระองค์ที่ทรงอนุมตัติรัดให้ภิกษุบิณฑบาตสร้าเยันตธรรมเทศนัเ็จนมีเราการสวดมนต์มันกันแสดงธรรมเราสวดนมนต์เป็นภาษาศาสน า, ษาภาษา ภาษาใจภาษานนิ้พันแม่สัน ต, ติเิชานมันก็เข้าใจเอายัางพญานาคพออุตรามานอปแก้มันว่าพระพุทธเจ้ามุตโธเกิดขึ้นแล้วมันดีใจมันระลึกขึ้นได้โอ้ชาติก่อนเรา เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพราะกรรมที่ตนเคยทามาเป็นอย่างนี้ดีใจว่าพุทธะมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ของง่ายของยากจึงไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทร ง, งสแสดงธรรมอีกโอ้กิจโจมนุษย์สามค ว, วามเป็นมนุษย์ในของยาก กิจังมจาใชีวิตตังความเป็นอยู่ก็ออยากวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราเป็นอยู่อาศัยปัจจัยหลายๆอย่างขอไปอย่างเราภิกษุสัมมาเนตภิกษุผู้ประพฤติธรรมญาณโยมผู้ประพฤติธรรมมีคนคำจุนบำรุงให้ความคล่องตัวนี่เพราะ อำนาจของประจาศานาความดีของศาสนาที่เขาบำเป็นสืบโตเป็นลำดับมา ก, การส่วนวนมันก็แสดงธรรมเหมือนอย่างเอวามเอมสุตังเอกังสมัยยังบากว่าในสมัยหนึ่ ง, งนคนมันคิดถึงมุงคล แกกันไม่ตกเองถึงปาเป็นข้าวของพระเจ้าพระ เ, ระเ จ, จ้าถึงตัดมงคลสามสิบเอ็ดที่เมื่อคืนวันก่อนที่เขาถือว่าอย่างนั้นคนตายอย่างนั้นเผาอย่างนั้นนัเนี่ยว่าเป็นมงคลไม่เป็นมงคลเนี่ยบางคนก็ว่ามงคลคือถือสะดวก หรือความพร้อมกทํทำม้เป็นมงคลไม่ขัดกันทุกอย่างในวงงานที่เราจะทำงาพร้อมกันก็เป็นมงคลขึ้นมาคือมีทุกอย่างแล้วในภาษาธรรมาที่ตันตรัสไว้อาศวานาจะบาลางังห ม, มครกบุผพาน แต่ไปดูลักษณะคนพานก็ต้องว่าต้องอศึกษากันอีกแต่พูดง่ายๆคนพานอ่อนอ่อนอ่อนการศึกษาอ่อนทุกอย่างเลยทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไม่ได้เขาเรียกคนพานมีแต่ทำลายได้ทําลายได้มาเอาป่าทิพอย่างนั้นโยนไม่กีดกั้นเดียวไมมก็ได้เหมือนกัน แต่ก็คนคนดีก็ไม่ทิ้งอกเป็นอันตรายนะี่ยมันไม่ไปอย่างประเทศนี้ไม่ได้ไปที่จุดผูก็ไม่ได้เป็นระบบเป็นกันดิกาค น, คนผ่านบัณฑิตานันเจเสวนาะเรามาคบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรากราบก็ดีไม่กราบก็ดีพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมา แม่พระองค์ทรงรทยังทรงมาอยู่ถ้าไม่มีเหตุการณ์พระองค์กทรงเฉยประทับนิ่งนี่ความจริงถ้าไมีเหตุการณ์พระองค์ตรัสการรบเพจเป็นปัจจัยขึ้นมาบัณฑิตนั้นยาเซ่เบัณฑิตก็ได้ผลเราก็เป็นบัณฑิตด้วยบัณฑิตทางโลกก็ดีไม่มีประโยชน์ทําประโยชน์ได้ ปริญญาตรีก็เป็นบัณฑิตขั้นต้นปริญาโทบัณฑิตโทนี่ในทางศาสนาท่านเลียงพระบัณฑิตโตเป็นบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นเขากําหนดหลักทำไว้หลักข้อการศึกษาขั้นนี้เป็นบัณฑิตบัณฑิตตรโรเป็นบัณฑิตกว่าบัณฑิตตโมเป็นบัณฑิตสูงสุดที่บัณฑิต นนนนากาในในหลักธรรมทํานหนดอขยันปุตธานะธมาคือความขยันเป็นคุณฑธรรมที่ทำบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตขึ้นมาบุคคลนั้นกาทำกิจอะไรก็สำเร็จทุกอย่างไม่สำเร็จทางนี้ก็ชานาเพราะว่าสังขารมันแต่ชราแล้วแต่สังขารอยู่ในวัยปฐมวัยมัธิมวัยก็ยสำเร็จ เพราะมีคุณธรรม ม, รมุทาความเพียเป็นบารมีมันเต็มะะาบารมีรรมันเต็มมัอนความดีเต็มบารมีมันเต็มอุบปวิริยะบารมีวิริยะปุบปปารมวิริยะปรมตารมีเต็มมันก็สำเร็จดีหลักกรรมแบง่งสรน บรรลุคลเนี่ยเป็นบันดิตขึ้นมาบูชาอย่างเราควรบูชาอย่างพระพุทธเจ้าเราบูชาบูชาดยมิตเย็นดอกไม้เอโยย้อมจัดดอกไม้เหมือนในมาราการเรามากราบไหว้คนใหม่หนะทัฒนศึกษา ตาากรตังบาต า, าตากาตะทราวา่ากังบารัตสนายักขจติไปเห็นพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าว่าในสถานที่นี้นนเป็นสถานที่บําเพ็ญกิจของสมณะของกิจยาวกิจยาววันทำให้คนเรื่อมใจวันนี้เป็นความดีเหมือนสมัยก่อนอุปกรารชีวกพร ะ, ร ะ, ระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพันพัน ไม่มีเสียงอัปป ะ, ะโดมีเสียงออกแล้วพวกฤทธีนึกเอ๊ะทำอะไรสาวบร่วมใสทำลายไม่ละทิฏฐิของตนมานับถือพุทธศ า, า, าสนาบวชในพระพุทธศ า, าสนานี่พระพุทธเจ้าจึงเป็นปูชนยียบุคคลควรแก่าการกราบควรแก่าการไหวควรแสดง ภาราวาต่างๆบั น, นุมมือไหวเป็นมงคลแกเราท่านตัดไว้อย่างนั้น